ให้มันจางทำยังไงไม่ให้มันจางทำสติมันเดืองชัดถ้ามันจางถ้ามันจาง ก, ก็คือสติมันไม่ชัดมันเลือนเลือนลางๆงจางจางหายไปแล้วอ่าโมหะ ม, มันมาสวมรอยดึงไปแล้วโมหะ ม, มาสวมรอยเอาจิตไปเราไปแล้วไปถึงไหนก็ไม่รู้ไปถึงทวีปไหนก็ไม่รู้ปรุงนูน้นปรุงนี้โอ้ยเป็นตัวเป็นต น, ตนตขึ้นมาเอาไปไหนก็ไม่รู้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 มันเลินเลอ่อให้มันหลุดไมยไม้หลุดมือไปจนก่อรเรื่องยืดเป็นคืบเป็นศอกเรื่องเป็นคืบเป็นศอกมันยืดมาเนี่พิจนารณาอยหลถอยลังถอยหลังอยลังถอยหมาถึงตรงนี้เอ๊มันเปลือตรงนี้เองแน่ Lindsay. ถ้าเราไม่หัดย้อนมาอย่างเงี้ยมันจะไม่เข็ดจิตมันจะไม่เข็ดอันนี้มันเป็นการฝึกมันเป็นการฝึกมันเป็นการซ้อม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 ทำไ้ปุ๊บปั๊บจะเป็นมันไม่เป็นเราต้องฝึกเราต้องซ้อมฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้แหละฝึกซ้อมจนจมชำ น, น่ชำนาญเหมือนงานการทุกอย่างที่เราฝึกเราซ้อมนั่นแหละถ้าเราไม่ใจฝึกไม่ตั้งใจฝึกไม่ตั้งใจซ้อมมันไม่ฉินไม่ชำนาญงานทุกอย่างเราฝึกซ้อมจะเริ่มชำนาญเราจับใหม่ๆเหมือนอย่างเราหัดเย็บผ้าเนี้ยเนี่ยหัดเย็บใหม่ๆนะ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 ตาบใ ไ, ไม่มีสติกลมกลับดูแลอยู่มันจางจางจางจเรื่อนลางจางหายไปเดี๋ยวเรื่องราวมาแทรกแล้วความดิด้ดิ่นของจิตมันมาแทรกแล้วนึกเรื่องเสียงนึกเรื่องรู้ึเรื่องอะไรใจ น, นึกไปนึกมานึกหงุดหงิดหงิ ด, งดท่านจึงให้เอาพิจารณาขันเหมือนอย่างที่เราสวนเมื่อกี้นี่ขันขันทั้งหน้าอายตนะ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 เรารู้มาที่กองสังขารรูปอย่างที่เรียกว่าปรุงปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอันนี้เป็นกองสังขาร น, นามมันปรุงเป็นรูปมันปรุงมันปรุงเป็นบุญมันปรุงเป็นบาปถ้ากมันไม่ปรุงฉชนอย่างจิตไม่ปรุงจิตสงบจิตนิ่งท้าเรียกว่าอานเนีนชาพิสังขารจิตสงบแน่นอยู่ในองฌานแนะ่จิตสงบแน่นอยู่ในองคฌานแต่ถ้า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 อยาฟังอยากแกอย่ากแกอยาแ ก, อาแกโอ้ยแกอกแล้วโันอยาหักอยาหักผมอยากขาวอย่าขา ว, าขาวไม่รู้มาขาวม า, าตั้งแต่เมื่อไหร่นะแก่หนังเหี่ยวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนีน่ยกำลังวังชาหดหายท้อถอยไปเหี่ยวแห้งร่วงผอมกรองคือคนแก่ลนะ้วน่ะเดินงกงเงินเงินนเดือดแต่หนังหงุมกระโดกเลือแต่เส้นเอ็นรัดจริง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 เป็นช่องเป็นรูที่จิตดวงนี้มันออกมาออกมาแสดงความโลภถ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยถ่าสัตว์รักทรัพย์ค่าทําไมข้ามากินโลภอยากได้มากินรักเอามาทําไมรักเพรความโลภอยากได้เข้ามาอืมผิดรูปผิดเมียนี่โลภโลภนั้นแหละโลภก็คืออโลภ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 นะ ส, สังรวมตาสังรวมหูสรวมตาตาคือกายนั่นแหละสังรวมตาม <S <s ีสติจาะอยู่ที่ตาคำกับอยู่ที่ตาที่ทีเรียกว่าสังรวมตาสังรวมตาก็คือสังรวมใจนั่นแหละก็เอาใจเราไปสังรวมเอาอะไรมาสังรวมสติมาสังรวมเอาสมาธิมาสังรวมเอาญาณมาสังรวมเอาปัญญามาสังรวม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 แล้วมันมีอยู่มันม่อยู่ที่ไหนอันเก่าที่มันมีอยู่มีอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจมันมายึดมั่นที่กายว่ากายเรากายข อ, ของเรามาคลี่คลายตรงไหนเป็นเราท่านยึดสอนให้เราพริจารณาเรื่องเรื่องขันเรื่องธาตุนี่อายตนะธาตุเราก็มีธาตุเราก็ส่วนขันธาตุอายตนะถ้านใหเรามาพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งมันนี้สักจะว่าปเป็น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 เราไม่ศึกษาแล้วเราไม่มาแยกแยะสิ่งเหล่านี้เกิดความรู้เกิดความเข้า ใ, ใจไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะทําให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยเหตุที่เรามาเรียนรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของมันเหล่านี้มันจะทําให้เรารู้ที่ไปเพรมันที่มาเพรามันว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรกัในแน่มันทําให้เราเกิดความสวา่างเกิดจิตเกิดปัญญาทำใหจิตของเราสวา่างไม่มันมันไม่มืดมืดทึบทึบ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 ที่ท่านสมมติเรียกเนี่ยกิริยาอาการของกายกิริยาอาการของใจเป็นเหตุให้เรามาซักมาฟอกมาฉะมาลา้างมาขูนมาขัดมาเกลามาฝนให้เกิดปัญญาให้รู้เห็นว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรฝึดได้มีได้เป็นได้อ่ะพอสมควรแต่เวลาว น, นี้ <c oughs>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 เมื่อไม่มีเหตุไม่มีผลตามมาไม่มีซบซื่ออยู่ไปทุก ว, วันทุก ว, วันแต่ว่าธรรมชาติมันทํางานมันลงไปลงไปลงไปอันนี้อางกระทุกขันมันลงไปลงไปลงไปไมันมีอะไรอีกเท่าเดิมเราก็ดูซิเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วเนียมืดลงเดี๋ยวก็สว่างแล้วเดี๋ยวรับทายอีกแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ําอยู่แล้วเดี๋ยวไทยหนักไทยเบาอีกแล้ว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 <c ười> คือความจำนี่คือคุณสมบัติของจิตมันฝึกได้ทุกคนฝึกได้ฝึกเอาไม่ท่องเออหงาคอมีความขยันจิตของเราฝึกได้เป็นสิ่งอัศจรรย์จิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งอัศ จ, จรร ย, เย์เป็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นแก้วสารพัด น, นึกจรงิจรงๆ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 โสตาน <mel> ัตสิวหากายะมโนวิญญาบุเกิดบุเกิดทางนั้นผัสสะยัคคูสัมผัสโสตสัมผัสขานัสัมผัสสิวหาสัมผัสกายะสัมผัสเวทนาเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอัุกรมสุขเวทนา